พวกเราก็อยู่นะบนบนเขาเนาะนะที่วัดหินเทินนะเราก็อยู่ท่ามกลางท้องฟ้านะเมื่อคืนนี้ถ้าใครได้มองท้องฟ้าก็จะมีทั้งดวงจันทร์นะแล้วก็ดวงดาวนะสองประกายนะบนท้องฟ้า แต่ตอนนี้ดวงจันทร์ก็หายไปลนะนก็ดวงดาวก็มีนิดหน่อยมีเมฆเนะี่ยเป็นบางส่วนเราก็อยู่ล้อมรอบด้วยคุณเขาแล้วก็ท้องท ะ, ะเลนะที่พอมองเห็นอยู่ไกลๆนะรู้สึกจิตใจปอดโปรง่งโล่งสบายไหม <c oughs> แ้วเราอยู่กับธรรมชาตินะนะธรรมชาติเขาก็ มีพลังงานที่คือมันรู้สึกว่ามันสมดุลกลมกล่อมกันนะอย่างก้อนหินแผ่นดินนะก็เป็นความหนักแน่นนะเป็นความมั่นคงนะสายลมนะก็เป็นความเรียกว่าเย็นสบายแล้วก็เหมือนผิวเบานะ แม่น้ําหรือท้องทะเลก็เหมือนเป็นความสดใสนะเป็นความสบายนะต้นไม้ก็เหมือนเป็นความอบอุ่นเป็นความชุ่มชื่นนะเป็นร่มเงานะคือธรรมชาติเองก็มีเหมือนมีหดายรสชาตินะนะแต่มันเหมือนอาหารนะที่เราเอา ส่วนผสมของแต่ละอย่างมาผสมกันแล้วนะในสัดส่วนที่พอเหมาะมันก็ได้รสชาติของอาหารที่ที่กมกล่อมนะนะที่อร่อยนะธรรมชาติในแต่ละที่ก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะเหมือนอาหารก็มีหลายรสชาตินะแต่จริงมันก็ถ้าเราสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆเราก็จะได้ ได้พลังงานเนาะที่ดีๆจากธรรมชาตินะบางทีเราก็เรียนแบบธรรมชาติในหลายๆส่วนนะก็ดีนะนี่มันก็จะเป็นการเรียนรู้ธรรมะนะเอาธรรมชาติมาพิจารณานะน้อมเป็นธรรมะเข้ามาใส่ตัวเราก็ได้นะอย่างถ้าเราดูพื้นแผ่นดินแบบนี้เนาะ คืนแผ่นดินเนี่ยก็ซึมซับน้ำนะน้ำฝนที่ตกจากธรรมชาติก็ดีนะหรือน้ำจากที่ไหนก็ดีหรือแม้แต่น้ำปัสสาวะของเราเองก็ดีนะนะไ ม, ไม่ว่าน้ำจะบรีสุดหรือน้ำจะสกปรกน้ำจากที่ไหนนะแผ่นดินนะก็ซึมซับน้ำลงไปได้ทั้งหมดเลยนะ ที่จริงถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนจิตใจของเรานะถ้าเราน้อมรับทั้งคำชื่นชมก็ดีนะคำนินทาก็ดีนะมันก็มันก็ไม่มีอะไรนะก็น้อมรับนะเข้ามาไว้ในใจนะไม่ได้ต่อต้านไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังเนี่ยมันก็ก็เหมือนกับแผ่นดินนะนะซึมซับทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปแล้วก็ แผ่นดินก็เหมือนเดิมนะอ่ามันซึมเข้าไปแล้วนะข้างหน้าดินก็เหมือนเดิมอาจจะมีความชื้นบ้างขึ้นมานิดนึงแต่ก็สักพักหนึ่งมันก็จะสลายไปนะเป็นปกตินะแม่น้ำเอ ง, เองนะก็อ่านะเรียกว่าเป็นที่รวมกันของสายน้ำนะจากที่ต่างๆมารวมกันนะ เราเองก็เหมือนกันนะถ้าเราทําตัวอ่อนน้อมถ่อมตนนะเราก็จะรวมสิ่งที่ดีงามไว้ในใจของเราได้นะอย่างเราเดินทางนะเราได้พบกับบุคคลหลายๆบุคคลไม่ว่าจะเป็นพระเป็นแม่ชีเป็นญาติโยมก็ดีเป็นเด็กก็ดีเป็นผู้ใหญ่ก็ดีนะหรือแม้แต่สรรัตว์สัตวเองก็ดีนะ ถ้าเรารู้จักเรียนรู้แง่ดีนะสิ่งที่มีประโยชน์ในแต่ละที่แต่ละบุคคลนะมารวมลงไว้ในตัวเราในใจเราเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์มากนะนะมองแต่สิ่งที่ดีนะมองแต่สิ่งที่มีประโยชน์นะเอามาเรียนรู้เอามาพัฒนาตัวเราเองเนี่ยก็จะได้ประโยชน์มากนะเหมือนกับแม่นม้ำนะเขารวม แม่น้ำทุกสายนะลำธารทุกแห่งนะรวมลงไปเป็นแม่น้ำก็ะดีสุดท้ายก็ออกทะเลนะนะออกทะเลไปนะทะเลก็กืนกินนะแม่น้ำทุกสายให้กลายเป็นรถเดียวกันกลายเป็นรถทะเลนะนะธรรมะทั้งหลายก็เหมือนกันนะถ้าเราน้อมเข้ามาใส่ตัวนะไม่ว่าจะนะกุศลก็ดีนะอกุศลก็ดีนะ ที่ดีก็ดีเอามาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็ดีก็เอามาเป็นเอามาเป็นคติเตือนเออจะได้ไม่ทําอย่างนั้นหรือไม่ทําผิดต้ำในเ่องนี้ยบางอย่างตัวอย่างที่ดีนะเราก็ได้ชื่นชมแล้วก็เอาไปทําตามนะบางอย่างตัวอย่างที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ได้เอามาพิจารณาเออจะไม่ทําตาแบบนั้นนะอันนะี้ก็ มันก็ชัดเจนนะถ้าเราถ้าเราอ่อนน้อมถ้าเราเรียนรู้นะเราก็จะได้ประโยชน์จากทุกที่ทุกคนที่เราได้เห็นที่เราได้เกี่ยวข้องนะก็เหมือนกับแม่น้ำนะเหมือนกับท้องทะเลเนาะแต่บางอย่างเราก็ต้องหนักแน่นมั่นคงนะเหมือนกับภูเขาเหมือนกับก้อนหินนะลมพัดมาก็ไม่หวั่นไหวนะ ไม่สะเทือนนะคือให้ถ้าจะหนักแน่นก็คือให้หนักแน่นด้วยทำนะด้วยความชอบทำนะทำที่สูงที่สุดนะที่ผมว่าเราควรที่จะหนักแน่นคือความไม่ทุกขนะ์นะนี่ยคือทำที่สูงสุดคือจะเกิดอะไรขึ้นมาต่างๆนะ สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะเลืกถึงคือความไม่ทุกข์นะถ้าจิตใจของเรานะเราอาจจะยึดในธรรมบางอย่างแต่ถ้ามันเป็นการยึดแล้วทำให้จิตใจเราทุกข์แสดงว่ามันก็ยังไม่ใช่ธรรมที่สูงที่สุดนะบางคนยึดในสมมุตินะอย่างเช่นพระบางทียึดในในศีลในข้อวัด ในพิธีกรรมนะหรือแม้แต่โยมอาจจะมีสิ่งที่ยึดนะ่ในความเสมอภาคในความถูกต้องในอะไรก็แล้วแต่นะโลกนี้มันมีมันมีหลายๆอย่างที่มันเป็นสมมุติที่ดีงามนะอนะ่มันเป็นสมมุติที่เพื่อการพัฒนามันก็ดีอยู่นะแต่บางทีถ้าเรายึดแล้วทําให้จิตใจของเราทุกนะ่ะแปลงว่ามันก็ยังยึดสมมุติอยู่ แม้แต่บางพวกที่เอาแต่ปรมัดนะแล้วก็ไปยึดปรมัดนะมันก็เป็นการยึดเหมือนกันนะไม่เอาสมมติเลยนะจะเอาแต่ปรามัดนยะมันก็คือการไปยึดอีกแบบหนึ่งนะเนี่ยไปยึดปรมัด <c oughs> ปรามัดคือความจริงแท้หรือว่าถือว่าเป็นการปฏิเสธสมมติโดยสิ้นเชิงเลยนะมันก็คือเป็นการยึดในรูปแบบหนึ่งเหมือนกันธรรมะบางทีมันก็ มันก็ละเอียดนะนะในการยึดเนี่ยมันมียึดทั้งที่เป็นสมมติซึ่งสมมุติก็มีหลายรูปแบบนะรวมทั้งไปยึดนะเอาแต่ปัจจุบัเลยไม่เอาสมมุติเลยนะก็มันก็เป็นการยึดในรูปแบบหนึ่งแต่เราจะเห็นเลยว่าเมื่อใ่ที่เกิดการยึดเนะี่ยมันจะมีการมันจะมีตัวตนนะอันนี้มีความคิดของเราความเห็นของเรานะความถูกของเรานะความผิด อะไรเงี่ยมันจะจะมีความรู้สึกเอาชนะความเอาถูกเอาผิดเอาแพ้เอาชนะเนี่ะเอาเหตุเอาผลกันนะมันก็จะมันก็จะมันจะไม่ค่อยจบนะแต่ถ้าเราอาศัยธรรมะคือความไม่ทุกเนี่ยความไม่ทุกเนี่ยมันจะทําให้เราปล่อยวางเนี่ยปล่อยวางอะไรที่มันทําแล้วมันเป็นความทุกนียืดแล้วมันหนักยืดแล้วมันแบกแล้วก็ปล่อยแล้วก็วางนะ มันก็สบายนะอืมถูกก็ถูกของเขาผิดก็ผิดของเขานดูท่าทีพอคุยได้ก็คุยคุยไม่ได้ก็วางแบบนี้ก็ก็มันก็สบายใจนะอันนี้คือธรรมะจริงๆก็คือความไม่ทุกข์นะถ้าเราจะหนักแน่นก็ให้หนักแน่นมบบนนี้นะหนักแน่นดังคุนเขาดังก้อนหินก็คือให้เรายึดไว้ดักจริงๆของธรรมะสูงสุดจริงๆคือ ความไม่ทุกข์เพราะแก่นแท้ที่พระเจ้าท่านสอนธรรมะทั้งหลายก็คือเนี่ยแหละนะสูงสุดจริงๆก็คือเรื่องความไม่ทุกข์เนี่ยแหละนะอย่างอื่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นส่วนประกอบเนาะนะนะหรือเป็นเป็นทางที่เดินมาสู่ความไม่ทุกข์นั่นแหละนะเรื่องทานก็ดีเรื่องศีลก็ดีเรื่องสมาธิก็ดีเรื่องปัญญาก็ดีนะ ศรัทธาความเพียรทุกอย่างนะธรรมะเนะจะเอาเป็นหมวดไหนเป็นอะไรก็ไม่แต่สติอะไรก็ดีนะสุดท้ายก็คือน้อมไปสู่ความไม่ทุกข์นะนะี่อันนี้คือสิ่งสําคัญเลยนะเนะี่ยให้เรากลับมาดูตัวเราเองนะถ้าเมื่อไหรท่ที่ที่มันมีความทุกข์ใจแสดงว่าเราไปยึดอะไรสักอย่างหนึ่งนะจะเป็นอกุศลก็ดีเป็นกุศลก็ดีนะถ้ามันนํามาสู่ความทุกข์ใจเนี่ยแสดงว่าเออ นะเราก็ยังไปติดยินนะนะให้เรานะให้เรากลับมารู้ตัวนะให้เรากลับมารู้ตัวนะเมื่อเกิดการรู้ตัวแล้วมันจะปล่อยวางนะนะมันก็เหมือนกับคุณเขานะหรือก้อนหินนะที่หนักแน่นที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งต่างๆนี่คือเราก็น้อมเอาเอ า, เอาสิ่ง ที่เราได้เรียนรู้จากธรรมชาตินะมามามาปรับปรุงมาเรียนรู้จากตัวเรานะเหมือนหลวงพ่อคำเขียนนะ่า ท, ทีท่านก็เทศนะเคยเทศว่าเหมือนบางทีเราพิจรารณาดูใบไม้นะนะอย่างเช่นเห็นใบไม้อ่อ น, ออนร่วงหล่นไปก็มีนะอาจจะถูกนอนถูกแมลงกัดนะหรือถูกลมพัดนะ ใบไม้อ่อนๆก็ร่วงก็มีบางทีก็ใบไม้กลางๆนะใบกำลังเขียวกะลังสดใสนะพอถูกลมพัดแรงๆก็ร่วงหล่นก็มีหรือใบไม้ที่เป็นสีน้ำตาลเหี่ยวแห้งแล้วนะหลุดออกจากขั้วก็มีชีวิตเราเองก็เหมือนกันนะบางทีชีวิตเราบางคนก็ตายตั้งแต่เด็กๆบางคนก็เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาววัยทำงาน บางคนก็แก่นะก็ป่วยตายก็มีนะชีวิตเรามันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนกับใบไม้นะมันก็มีการอนะ่พัดภาคไปนะอนะเกิดดับไปนะที่จริงแม้แต่อารมณ์ข้างในเองก็เหมือนกันนะอารมณ์บางอย่างนะมันเกิดต่อเนื่องนะรู้สึกเหมือนนาน เวลาทุกใจนะบางทีมันก็ทุกใจเหมือนเหมือนนานนะแต่จริงมันคือความต่อเนื่องของของการปรุงแต่งที่มันเป็นเหตุปัจจัยในความทุกข์นะบางทีมันดูนานนะนะบางทีสุขใจก็เองก็เหมือนกันนะบางทีก็สุขนานนะแต่ที่จริงมันก็คือการที่จิตมันปรุงแต่งอยู่ข้างในนะไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์นะถ้ามันยังเป็น เปนการปรุงเยอะมันก็ยังมันก็ยังมีการเกิดแล้วก็การดับเยอะนะแต่ถ้าสุขที่ที่มันพิเศษกะนะ็นั้นคือสุขจากการไม่ปรุงเนาะมันไม่ต้องไปเหมือนถ้าเรามีความสุขเนะี่ยคือไม่ต้องคอยรักษาถ้าการยังต้องคอยรักษาคอยประคองอยู่เนี่ยมันก็ยังมีการมีเหนื่อยนะเหนื่อย อาจจะบางคนอาจจะรักษาเก่งประคองเก่งนะมันก็เนียนเนียนไปเหมือนเหมือนไม่เหนื่อยแต่จริงมันเหนื่อยนะลึกๆแล้วมันเหนื่อยนะเราต้องพยายามรักษาความสุขเหมือนนี้มันเหนื่อยนะแต่จริงถ้าเราถ้าเราแบบปล่อยวางจริงๆงนะแบบความสุขมันจะหายก็ไม่เป็นไรความสุขจะอยู่ก็ไม่เป็นไรเหมนนั้นนะมันจะสุขแบบสบายนะ ถูกแบบไม่ต้องรักษาไม่ต้องประคองนะความทุกข์เองนะยิ่งถ้าเรารู้ทันมันเนี่ยมันยิ่งวางเลยนะธรรมชาติของจิตเนี่ยเมื่อมันทุกข์เนี่ยมันจะวางเขามันนะอันนี้คือมันก็จะสบายนะเหมือนกับลมเนะีนะ่ยถ้าเราทำตัวสบายๆนะลมมันจะพัดมาจากทิศไหนก็แล้วแต่นะเราก็รู้สึกสบายได้ทั้งหมดแหลนะ ลมไม่จะเป็นต้องพัดมาจากทะเลก็ทิศทะเลเท่านั้นก็ได้นะมาจากทั่วทุกสารทิศก็ได้นะพอลมกระทบตัวเรามันก็สบายนะมีความสุขนะอันนี้สบายทางกายนะก็ทำให้เกิดสบายใจไปด้วยมันก็เหมือนกับเราไม่จำเป็นต้องคาดหวังกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะอะไรเกิดขึ้นมานะเรายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ย แล้วก็เรียนรู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาจริงๆนั่นแหละนะจิตใจเราก็จะสบายนะแต่ถ้าเราคาดหวังสิ่งใดนะมันก็จะมีสิ่งที่เราไม่คาดหวังนะขึ้นมานะเช่นสมมติเราคาดหวังสมมตินะส ม, มืติเราบินทบาทเนานะเราคาดหวังว่าจะจะต้องได้อาหารสมมตินะถ้าสมมติว่าวันนี้ไม่ได้อาหารเนี่ยมันก็จะผิดหวังนะ เราเดินไปนะเราคาดหวังจะได้น้ำหวานมันก็มันก็มีสมหวังแล้วก็ผิดหวังนะวันนี้สมหวังนะหรือว่าบ่ายนี้อาจจะผิดหวังแบบนี้เพราะเรามีความคาดหวังสักอย่างหนึ่งนะมันก็จะมีความสมหวังแล้วก็ความผิดหวังตามมานะแต่ถ้าเราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะเราก็แค่ทาหน้าที่ของเราไปยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นมาเออ วันนี้ได้อาหารก็ดีนะเออได้กินได้มีกําลังวังชาไม่ได้อาหารเออก็ดีนะได้ลองเรียนรู้กับความหิวดูเป็นยังไงเหมือนนะี้ได้เผาผานพลังงานเก่าไปบ้างเออก็ดีเหมือนกันนะเลยนะวันนี้ได้น้ําหวานได้น้ําเย็นเย็นอ่าโอ้มีกําลังสดชื่นนะขอบคุณญาติโยมอนุโมทนาที่เขาถวายเออได้กําลัง อ, อวันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะก็กินน้ำเปล่าที่เรามีไปนะก็ไดนั่งพักบ้างก็สบายละคือถ้าจิตใจของเราไม่คาดหวังอะไรนะมันก็มันก็สบายนะอะไรเกิดขึ้นมาก็ยอมรับได้นะก็มองเป็นแง่ดีมองแบบออมีประโยชน์ไม่ทุกนะไม่ทุกแต่ถ้าคาดหวนะังเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสุขแบบ สุขแบบที่เรียว่าสุขแบบการได้เนาะกับมีความทุกข์จากการที่ไม่ได้เนะเพราะคำว่าเสพจริงๆก็คือไง น, นะนะคือมันเหมือนอยากได้อะไรแล้วเราก็เราก็เสพมันนะได้เสพมันแล้วมันถึงจะมีความสุขนะนะมันแต่มันสังเกต ด, ดูดีนะความสุขจากการเสพเนี่ยมันชั่วคราวนะชั่วคราวเช่นเราได้กินอะไรนะที่เราอยากจะกินเนะ่ย มันก็มีความสุขชั่วคราวปุ๊บนยะพอสักพักหนึ่งมันก็หายไปละเราอยากจะได้อะไรก็แล้วแต่นะได้สิ่งของในบุคคลมันก็มีความสุขชั่วขนาดหนึ่งนะแล้วมันก็จืดไปมันก็ดื่มไปเนะนื่งความสุขจากการเสพเนี่ยมันชั่วคราวจริงๆเลยแต่เราเองก็ถ้าเราไม่รู้ทันโลกนี้มันก็จะ กระตุ้นเราให้เราเสพนั่นเสพนี่ไปเรื่อยนะจนทั้งตายนะมันก็ยังพอใจในการเสพอยู่นะคนทั่วไปก็เป็นแบบนั้นนะคือมีความพอใจในการเสพนะเพียงแค่เปลี่ยนเรื่องเสพไปเรื่อยนะยาบก็ดีละเอียดก็ดีนะมันก็เปลี่ยนไปเลยแต่ถ้าเราดูพิจารณาโดยดีมันความสุขจากการเสพพวกเนี้ยนะที่พระเจ้าสมบอติว่าการมาสุ ข, ขาขนและการ น, น, นุโยกเนี่ย มันมันชู้ข่าวมันเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของไม่เที่ยงแท้อแต่ถ้าเราสามารถสัมผัสกับความสุขที่ปราณีก่กว่านนั้นนะคือความสุขจากการที่เรายอมรับความจริงนะนะแม้ความทุกข์เกิดขึ้นมานะเรายอมรับได้เนี่ยมันก็เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์นะ ความไม่ทุกข์นั่นแหละก็คือความสุขที่ปานนี้ขึ้นนะอย่างเราเห็นร่างกายเขาหิวร่างกายเขาเหนื่อยใจเรายอมรับได้เราอยู่กับเขาได้นะใจใจก็ไม่ทุกข์ละกายก็ยังเหนื่อยอยู่นะแต่ใจไม่ทุกข์อย่นะอันนี้คือมันเป็นความสุขที่ปานนี้มากเพราะว่าเราไม่ได้ต้องคาดหวังว่าเขาจะต้องดีขึ้นเขาจะต้องได้อะไรนะ เรายอมรับความจริงที่เกิดขึ้นมาตรงๆเลยนะใจมันสบายใจมันเบาเนาะอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเราเรียนรู้ดูดีๆเนาะเราก็จะได้ความสุขที่ปันนี่ขึ้ น, นเรื่อยๆนะเนาะนะพวกเราก็เป็นผู้ที่สนใจไฝนะ่ธรรมเนาะตั้งใจปฏิบัติธรรมกันทุกคนทุกท่านเนี่ยนะก็ ให้เราจะลึกไว้ว่าเออชีวิตของเราอย่างวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของปี2อวัน560เนอะวันคืนก็ล่วงไปล่วงไปแบบนี้เนาะเราทำอะไรอยู่นะนะชีวิตของเราก็ไม่รู้จะเหลือมากน้อยขนาดไหนเนาะแต่พวกเราเองก็เป็นผู้ที่โชคดีนะนะได้หลายท่านก็มีโอกาสได้บวช หลายท่านก็มีโอกาสได้อยู่วัดนานๆเดี๋ยวนี้เนาะทุกท่านเลยนะก็เรามีโอกาสที่ดีหลายมากกว่าหลายคนที่เราได้มีโอกาสได้ฝึกฝนตัวเราเองในรูปแบบนะไม่ว่าเราจะปฏิบัติธรรมที่วัดก็ดีหรือว่าเราเดินธุ ด, ดงก็ดีนะมันก็เหมือนเป็นรูปแบบหนึ่งที่เราได้ฝึกหัดตนเองที่เข้มข้นขึ้นเนาะนะมันก็เป็นโอกาสดีละนะที่เรา จะได้ให้เวลาตัวเองในการศึกษาธรรมะเน่อยให้เราได้พิจารณาเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเออการที่เราบวชก็ดีการที่เรามาปฏิบัติธรรมก็ดีนะ น, ะ, นะมันไม่ใช่มาเพื่อความสนุกสนานแต่เรามาเพื่อเนี่ยแหละฝึกหัดจิตใจของเราให้น้อมรับสิ่งที่ดีงามพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้ น, นะ แต่เราก็มีปัญญามีความปล่อยวางในสิ่งที่มันจะทำให้เกิดเป็นความทุกข์ใจไปด้วยเนาะเพราะธรรมะที่สูงสุดจริงๆก็คือเนอี่ยคือความไม่ทุกข์เนาะนะก็เราก็พิจารณาธรรมะจากตัวเราเองก็ดีนะจากคนรอบข้างก็ดีนะจากธรรมชาติต่างๆก็ดีนะน้อมเข้ามาใส่ตัว เราจะได้ประโยชน์จากการที่เราได้ได้บวชหรือว่าเราได้ปฏิบัติธรรมเนาะก็ฝากไปครับเนะาะ